และเพื่อสมศักดิ์ศรีการแข่งขันในวันนี้จะเปลี่ยนไปเพื่อบททดสอบวอมเป็นนักสู้ทดสอบจิตใจและทดสอบฝีมือว่าใครที่จะเหมาะสมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผู้คุณจะต้องแข่งขันกันทั้งหมดสามรอบซึ่งในแต่ละรอบเราจะคัดเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนคนที่เหลือจะแข่งขันต่อจนถึงรอบสุดท้ายและจะต้องมีหนึ่งคน ที่จะต้องออกจากมาสเตอร์เชฟทิกเซนครับซึ่งจอดการแข่งขันในรอบนี้พวกคุณจะต้องเจอกับวัตถุดิกพื้นบ้านของไทยเราเชื่อว่าพวกคุณทุกคนคมรู้จักแต่ไม่คุ้นเคยนั่นก็คือท้วงไขอ่ออด พวงไข่อ่อนก็คือไข่ไก่ที่มีไข่แดงขนาดต่างๆเกาะเป็นพวงอยู่ในท้องของไก่มีตั้งแต่ลูกเล็กไปจนถึงลูกใหญ่เท่าไข่ไก่จริงๆ จ, จำไว้นะครับหนึ่งคนที่ทำออกมาได้ดีที่สุดในการแข่งขันนี้จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถ้าคุณอยากเป็นคนนั้นคุณต้องพิสูจน์ตัวเองพวกคุณมีเวลา สี่สิบห้านาทีในการทำอาหารจานนี้และคุณจะต้องแบ่งเวลาที่มีไปคัดเลือกวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ตห้านาทีครับครบครั